เรื่องที่สามลมเสียลมเสียทำให้เสียความสงบใจเป็นอย่างมากถ้าเสียมากมากก็ถึงแก่ทำงานไม่ได้ยิ่งถ้าผู้ลมเสียนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ่งทำความลำบากให้แก่เด็กๆต้องคอยหลบลมกันเป็นจ้าละวันทำอย่างไรลมเราจึงจะไม่เสียและถ้าท่านลมเสียเราจะทำอย่างไร อาการที่เราเรียกว่าลมเสียนั้นคงจะเพี้ยนมาจากคำว่าอารมณ์เสียหมายถึงจิตเกิดความไม่พอใจอย่างแรงความไม่พอใจนั้นอาจเนื่องมาจากเหตุยังได้อย่างหนึ่งแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำให้ใจเสียการทรงตัวตกเป็นทาสของความไม่พอใจต่อจากนั้นแล้วเห็นอะไรอะไรก็เป็นเรื่องไม่พอใจไปหมด เหมือนอย่างที่เวลาเราท้องเสียอย่างแรงถึงขั้นท้องอืดท้องเฟอ้อเสียแล้วรับประทานอะไรลงไปมันก็เน่าไปตามกันหมดแม้แต่ดื่มน้าบริสุทธิ์ลงไปก็ไปช่วยทำให้มันเพอได้ใจคนเราก็เหมือนกันถ้ามันเกิดความไม่พอใจอย่างแรงแล้วอารมณ์ทุกชนิดที่ผ่านเข้าไปถึงใจกลายเป็นของเสียทั้งนั้นเราจึงพูดกันว่าอารมณ์เสีย หรือลมเสียแต่ถ้าว่ากันตามจริงคนที่อารมณ์เสียแล้วก็ลมเสียจริงเสียด้วยผมหมายถึงว่าถ้าใครอารมณ์เสียแล้วเวลาพูดออกมาก็มักจะพูดแต่คำเสียๆลมที่เปล่งออกมาทางปากนั้นส่วนมากไม่น่าฟังดูๆก็เหมือนกับคนท้องเสียอีกแหละลมที่เล็ดลอดออกมาจากในท้องของคนท้องเสียนั้น ใครอยู่ใกล้ๆก็เป็นกรรม้รายกาดนักเหมือนอย่างกับไปกินสบกินเมนวัดไหนมาก็ไม่รู้มันเหม็นจริงๆลมที่ออกจากปากคนอารมณ์เสียก็เหมือนกันต่างกันแต่ว่าคนอารมณ์เสียมักจะออกทางช่องบนส่วนคนท้องเสียลมมักจะออกทางช่องล่างเด็กลมเสียน่ะไม่น่าห่วงเท่าไหร่ ถ้าแกลมเสียสุดขีดแกก็ร้องไห้ขี้มู่ป่งไปคนเดียวการร้องไห้นั้นก็เป็นวิธีบำบัดอาการลมเสียอยู่แล้วถ้าจะเป็นห่วงเด็กลมเสียก็น่าจะห่วงคนที่ลมเสียแล้วนิ่งมากกว่าเพราะเด็กที่ลมเสียแล้วนิ่งมีทางเป็นไปได้หลายทางเช่นเกิดความท้อแท้ใจกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและในบั้นปลาย อาจกลายเป็นโรคเส้นประสาทรบกวนความสงบของคุณหมอประสบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเด็กลมเสียแล้วอยากร้องไห้ก็ปล่อยให้แกร้องไห้เถอะแต่ผู้ใหญ่ลมเสียสิน่าเป็นห่วงแย่จริงๆเล่นเอาเด็กเข้าหน้าไม่ติดเข้าซ้ายก็ผิดเข้าขวาก็ผิดผิดทั้งนั้นถ้าเราพูดค่อยๆ ท่านก็ว่าไม่เต็มใจพูดถ้าเรากราบเรียนดังๆท่านก็ว่าขึ้นเสียงกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งธรรมชาติสอนอเรามาเมื่อผู้ใหญ่ลมเสียก็คือหลบหน้าไปให้ผลเป็นการหลบภัยเอาตัวรอดแต่ก็อีกแหละผมเองก็เคยพบเห็นมาแล้วพวกเราหลบหน้าไปหมดท่านยิ่งลมเสียหนักเข้าไปอีกทีนี้ก็ กินแถวเลยแทนที่จะเทศนาเป็นรายบุคคลก็ขึ้นพวกทีเดียวไอ้พวกนี้มันหายหัวไปไหนหมดว่าเสียอีกบางทีเมื่อเวลาท่านผู้มีอํานาจมากๆไปตรวจตามหัวบ้านหัวเมืองต่างๆแล้วเจ้าบ้านเจ้าเมืองพากันวิ่งต้อนรับขับสู้เลี้ยงดูปูเสือเอาอกเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเห็นว่าไม่น่าทำ เพราะเป็นการเอาขักชีโรยหน้าแต่ใจข้าพเจ้ากลับเห็นว่าโรยไว้บ้างก็ดีเหมือนกันข้อสำคัญคือป้องกันมิให้ท่านลมเสียทำไมถึงกลัวท่านลมเสียล่ะถ้าของเราดีอยู่แล้วไปกลัวทำไมหรือกินปูนร้อนท้องเปล่าเรานะ่ะรับรองว่าไม่ได้กินอะไรแต่ฝ่ายท่านสิเราไม่รู้เพราะ ผู้ใหญ่ท่านผ่านมาหลายหัวบ้านหัวเมืองเจออะไรมามากดีก็มีเสียก็มีท่านอาจจะพบเห็นสิ่งที่ไม่เรียบร้อยแล้วลมเสียมาจากหัวเมืองไหนก็ไม่รู้มาถึงเมืองเราก็ต้องระวังให้ท่านที่ทำนั้นเป็นการช่วยทั้งสองฝ่ายคือช่วยระงับลมให้ท่านด้วยเพราะลมเด็กกับลมผู้ใหญ่ฤทธเดชมันต่างกันมาก ลมออกจากปากเด็กก็เหมือนลมพัดยอดไม้ธรรมดานี่เองอย่างแรงก็แค่ทำให้ใบไม้ผลไม้ร่วงอีกทีก็แค่กิ่งหักแต่ถ้าลมออกจากปากผู้ใหญ่ถ้าลงได้เสร็จแล้วก็คือลมสลาตันเราดีๆนี่เองอาจราบพนาสูญไปเป็นเมืองเมืองก็ได้แต่ว่าก็ว่าเถอะผู้ใหญ่สมัยนี้รู้สึกว่าลมไม่ค่อยเสียเหมือนสมัยก่อน ที่ว่านี้ว่าอย่างโบราณซึ่งเป็นธรรมดาของผู้รับผิดชอบกิจการกว้างใหญ่ท่านรักมากท่านก็จูจี้มากเป็นธรรมดาเรื่องนี้ควรยกให้ท่านและที่ผมพูดนี้ขอให้คิดรวมไปถึงผู้ใหญ่ทั่วไปจะเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวของหน่วยงานของวัดวาอารามก็เหมือนกันคือถ้าท่านลมเสียแล้วก็ต้องระวังสาหรับการปฏิบัต เพื่อตัวเราเองจะทำอย่างไรเราจึงจะไม่ลมเสียถ้าเลิกได้ไม่หมดก็เอาแค่ไม่ให้ลมเสียบ่อยๆจะทำอย่างไรวิธีปฏิบัติเราจะต้องเพ่งเล็งถึงจุดที่จะเกิดลมเสียในใจของเราเองจุดที่ว่านี้คืออรติความไม่พอใจถ้าอารติเกิดขึ้นแล้วไม่ระงับเสียในที่สุดก็จะทำให้เราลมเสีย ความไม่พอใจที่เรียกว่าอารตินั้นคือความไม่พอใจในทุกๆเรื่องที่มากระทบใจเราเช่นได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกหูได้เห็นกิริยาของใครที่ไม่ถูกตาได้รู้ความประพฤติหรือเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจถ้าสังเกตวารจิตของเราให้ดีแล้วจะรู้สึกว่าไม่ชอบหรือไม่พอใจกับสิ่งนั้น ความรู้สึกอย่างนี้แหละครับที่พระท่านเรียกว่าอารติเป็นจุดเริ่มต้นของการลมเสียเราต้องดับมันเสียแต่ต้นมือคือทันทีที่รู้สึกว่าไม่พอใจวิธีระงับความไม่พอใจมีหลายระยะเช่นถ้าเรามีสติรู้สึกตัวทันท่วงทีว่าอารติกำลังเกิดขึ้นคือเรากำลังเริ่มไม่พอใจ ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเสียขณะนั้นท่านกําลังทำอะไรอยู่ให้เลิกทำสิ่งนั้นเสียชั่วครู่หันไปทำอีกอย่างหนึ่งเช่นความไม่พอใจเกิดขึ้นขณะกําลังนั่งก็ให้ลุกเดินเสียจะเข้าไปในห้องน้ำล้างหน้ า, นาล้างตาเสียก็ได้หรือจะอาบน้ำเสียเลยก็ยิ่งดีถ้ากําลังพูดก็ให้นิ่งเสียก่อนรวมความว่าให้เปลี่ยนอารมณ์ให้จิตเสียใหม่ ปล่อยให้ความไม่พอใจที่ทำท่าจะก่อตัวขึ้นระงับเสียก่อนแล้วค่อยกลับไปทำสิ่งนั้นอีกเมื่อท่านวกกลับมาสู่อารมณ์นั้นเป็นครั้งที่สองท่านไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นแล้วมันจะหมดฤทธิ์ที่จะเขย่าใจท่านลงไปมากทีเดียวอย่างเช่นพอท่านกลับถึงบ้านแต่รับรายงานจากคนใช้ว่าเขาทำเจกันที่ห้องรับแขกแตกเสียแล้ว ท่านยังไม่ควรที่จะต้องสอบสวนในทันทีว่าทำไมจึงแตกยังไม่ต้องคิดถึงว่าท่านซื้อมันมีราคาตั้งเท่านั้นเท่านี้หรือคิดถึงความบกร่องของคนที่ทำแตกแต่ทางที่ถูกพอท่านรับทราบข่าวที่ไม่น่าพอใจนั้นแล้วท่านควรทำอย่างอื่นเสียก่อนอาออากน้ำแล้วก็ลงไปดูต้นไม้กลับมารับประทานข้าว แล้วค่อยถามถึงเรื่องใจกันแตกโดยวิธีนี้เรื่องใจกันแตกจะไม่ทําให้ท่านลมเสียได้ถึงจะมีบ้างก็นิดๆหน่อยๆประเดี๋ยวก็สงบเรื่องทํานองเดียวกันนี้คนที่รู้จักจิตวิทยาเขาจะไม่เสนอต่อผู้อื่นอย่างหุนขันทันทีเลยเขาจะต้องรอจังหวะเช่นรอให้นายรับประทานข้าวแล้วจึงรายงานเรื่องใจกันแตก เลขานุการที่จัดหนังสือใส่แฟ้มเสนอผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคนที่มีจิตวิทยาเขาจะต้องเอาเรื่องที่ทำให้อารมณ์ผู้ใหญ่สบายใจไว้ตอนหน้าแฟ้มแล้วค่อยๆใส่เรื่องที่หนักๆเข้าไปทีละน้อยส่วนเรื่องที่จะทำให้ท่านไม่สบายใจต้องเอาไว้ท้ายสุดเรื่องที่อยู่ต้นๆจะค่อยๆปรับอารมณ์ของท่านไปตามลำดับ กว่าจะถึงเรื่องที่ขัดใจท่านท่านก็จะมีพื้นอารมณ์ของจิตพอที่จะรับได้แล้วบางทีกว่าท่านจะได้พิจารณาเรื่องนั้นก็หมดเวลาหรือรีบไปประชุมพอพลิกดูเรื่องเห็นเป็นเรื่องน่าราคาญก็อาจปิดแฟ้มโยนตึงออกไปหมายความว่าเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคิดและแตัดสินใจวิธีนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุด ท่านจะไม่ให้ลมเสียและทำงานเรื่องอื่นได้อย่างปกติการคอยระวังตัวไม่ให้ลมเสียและรู้จักช่วยป้องกันคนอื่นไม่ให้ลมเสียเป็นทางสงบอย่างหนึ่ง